ในทษทวนว่าเมื่อใดอย่างไรอย่างไรก็ช่างเถอะทุกมันก็เป็นอย่างนี้นะต้องไม่ลืมนะต้องไม่เผลอว่าจะเมื่อไหร่ทุกขสัจจะทั้งหลายต้องปีลณะนะสันตาปะวิปริณามะหรือสังคตะทั้งหลายนี่คือความจริงแท้ของกองทุกข์ก ท, กที่ต่อไปแต่มันอวิชามันปกปิดไม่ให้เห็นความจริงเพราะอาวิชามันเชื่อว่าเป็นประทัดฐานของวิปลาสท่านมันจะเปิดเผยให้เห็นทุกขสัจจะเป็นอื่นเลย ว่าทุกทั้งหลายไม่ร้อนนะเย็น น, นะเย็นใช่ไหมไม่ปีละนะไม่สันตาปะรอกสุขจะตายมีความสุขมองเห็นว่าเป็นสุขอวิชามันปกปิดให้เห็นว่าเป็นเป็นสุขใ น, นหนึ่งหนึ่งถูกปัจจัยปรุงแต่งบอกโอ้ยแต่งเสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่นะมันเป็นของยั่งยืน น, นะว่าวิปริณามะโอ้ยจะวิปริได้ ย, ไยังไงยังยั่ ง, ย, งยืนเพราะมันเป็นของจริงของแท้เป็นของ แน่นอนเพราะอวิชานี่มันสร้างให้เห็นคิดทุกอย่างโดยวิปลาดว่าเป็นสิ่งที่เป็นของเที่ยงเป็นสุขยั่งยืนแล้วก็บอกว่ามีอำนาจเป็นผู้ที่มีอัตตาจัดแจงกองทุกทั้งหลายได้เพราะอวิชานั้นเป็นสมุทฐานเป็นประทัดฐานแห่งวิปลาดนะวิปลาดว่าเที่ยงวิปลาดว่าสุขวิปลาดว่าเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอาวิชานี่ทาอย่างนั้นอวิชานั้น ยังเป็นปัจจัยอย่างเมื่อกี้กล่าวว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเป็นเป็นหัวขบวนของสังสารวัตรเนี่ยนะเป็นหัวขบวนของปฏิจจสมุปบาทปั้นความจบลงที่นรกก็คือเกิดจากอวิชชาเป็นนําหน้าความจบลงที่เปรตอสุรกายเดริชานก็อวิชชาหัวหน้าจบลงที่กองทุกในมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายก็มีอวิชชาเนี่ยนะถ้าสาวไปแล้วก็มีอวิชชา นำหน้าพราะอวิชชาปกปิดสมุทยัยสัจจะบอกว่าอาวิชชาปกปิดสมุทยัยสัจจะไม่รู้สมุทยัยสัจจะโดยเหตุสามประการว่าโดยฐานะโดยอารมณ์และก็โดยการปิดบังโดยฐานะโดยฐานเนี่ยเพราะสมุทัยนั้นมีการห้ามการการแทงตลอดเป็นลักษณะตามความเป็นจริง และก็เพราะไม่มอบให้ซึ่งความเป็นไปแห่งยานโดยฐานะเนี่ยนะโดยฐานก็คืออวิชชาเนี่ยนะมันเกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับสมุ ท, ท, ยทยมัยสัจจะไหมที่ไหนมีตันหาที่นั่นมีอวิชชาไหมมีมมเพราะอาวิชชาตันหามีรากเดียวคืออวิชชาแล้วก็ถามว่าถ้าอาวิชชาเนี่ยนะมันรู้โลจากโลภาไหมโลภะรู้จักอวิชชาไหใช่ไหม ไม่มันรู้กันนะมันรู้กันแต่ไม่รู้จริงตันหาเนี่ยสมมติถ้าคนอื่นเขาไม่ไม่รู้เนี่ยตันหาชอบไหมตันหาชอบความรู้หรือชอบความไม่รู้ตันหาเนี่ยชอบความไม่รู้มากเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยถ้าจะหลอกใครสักคนหนึ่งให้สําเร็จก็ต้องไม่ให้เขารู้จริงใชถ้าเขารู้จริงก็หลอกไม่สําเร็จตันหาที่หลอกมันต้องไปให้อวิชามันเสริมก่อนนะนะทีนี้ถ้าอวิชามันจะหลอกอะไรมันก็ต้องฉาบด้วย ตันหาทางท่านบอกว่าท่านหมายถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าอวิชชาจะปิดในสิ่งที่ตันหาชอบเท่านั้นตันหาก็จะจ ะ, จะชอบในสิ่งที่อวิชชาปิดเท่านั้นเอาเถมันมีอยู่คู่เดียวนี่แหละนั้นทำสองที่ควรละคืออวิชชาตับตันหางนั้นถ้าขึ้นชื่อว่าตันหาเมื่อไหร่จะชอบในสิ่งที่อวิชชาปิดแล้วก็มันก็จะปิดได้เฉพาะแต่สิ่งที่ตันหาชอบเท่านั้นอวิชชาเนี่ยมันมันปิดอยู่เท่านี้จริงๆ เมื่อกี้กล่าวว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเนี่ยนะงั้นอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ที่ไง่ายๆก็คือแก่กายกรรมวิจีกรรมและมนโนกรรมอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กรรมถามว่ามันเป็นปัจจัยแก่กรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเวลาที่สมนุนท์อวิชชาเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ กายกรรมเนี่ยนะการขยับตัวการยืนการเดินการนั่งการหันซ้ายหันขวาเนี่ยนะการยกมือถือแขนอะไรเป็นต้นเนี่ยอันนั้นเป็นกายกรรมใช่ไหมบอกใช่อย่างขยับตัวทุกชนิดเป็นกายกรรมใช่ไหมบอกใช่มีผลไหมกายสังขารตัวนั้นอ่ะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลา ย, ยตรนะหจนถึงกองทุกแห่งในวัฏฏะปล่อยสืบเนื่องไปอย่างนี้ <te le> <se ver> เห็นอย่างนี้ไหมบอกไม่นั่นแหละอวิชามันทํางานได้เต็มที่ไม่ให้รู้ว่ากายกรรมเหล่านั้นจบลงที่ไหนไม่ให้รู้ว่าวาจีกรรมที่ตัวเองพูดเนี่ยจบลงที่ไหนอย่างคําพูดที่เราพูดทุกคําเป็นอะไรกรรมเป็นกรรมทั้งนั้นเป็นวจีกรรมแล้วถามว่ามันรู้ไหมว่าผลแห่งคําพูดนั้นอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมโดยมากรู้ตัวไหมที่พูดอยู่เนี่ยมันจบลงที่ไหนพูดให้มันเป็นอะไรโดยเหตุการณ์ก็ไม่รู้อย่างบางคนเนี่ยไม่รู้พูดให้มันเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยอันหนึ่งล่ะ แล้วถามว่าเจตนาแห่งกรรมที่เกิดจากคำพูดเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนมันให้ผลอย่างไรแล้วมันจบลงที่ไหนเนี่ยนะรู้ไหมก็ไม่รู้อีกแล้วความคิดนี้เป็นกรรมไหมบอกเป็นเป็นมนโนกรรมกรรมเหล่านี้มีผลไหมบอกมีเพราะกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมี นามรูปอันนี้เรียกว่ารวบให้มาเป็นกระแสเช่นเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันใย่สายสัมพันธ์ของวัตาเนี่ยมันกว้างไกลามากแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะย่อให้มันมองเป็นเข้าใจถ้าเข้าใจระบบหนึ่งระบบปุ๊บจะเข้าใจอย่างอื่นหมดเลยจริงๆแล้วกายะสังขารเนี่ยนะเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตระก็ไหลสืบเนื่องไปหากองทุกทั้งหมด ว่าจีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะก็ไหลไปจนถึงว่ากองทุกข์มันสืบเนื่องอย่างนี้มโนสังขารมโนสังขารก็ไหลเสือเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะไหลสืบเนื่องกันไปอวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้เห็นว่ากระแสของสิ่งเหล่านี้มันไหลไปยังไงแล้วมันจบลงที่ไหนมันไม่ต้องการให้รู้ <L ess ly> เลยไม่รู้อายุหะณะกรรมที่ปรุงแต่งไปสู่พบเพราะอาวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้รู้ว่าอายุหะณะความประมวลมาซึ่งพบใหม่ไม่ต้องการให้รู้ไม่ต้องการให้เห็นไม่ต้องการให้ทราบว่าในอดีตสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเนี่ยนะมันปกปิดไว้หมดปัจจุบันนี้สังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณกรรมที่จะทําต่อไปในอนาคตสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณอาวิชชาปิดไม่ให้รู้หรอก ไม่ให้รู้ในความเป็นอายุหณนะกรรมที่ประมวลไปสู่พบใหม่เนี่ยนะบอปกปิดความจริงเอาไว้เลยแล้วก็บอกปิดความจริงว่ากายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมหรือตันหาเป็นตัวมอบทุกขมาให้แค่ อ, อะไรนะมอบของขวัญคือกองทุกให้แบบอะไรเคยเห็นไหมไตรสเนพิเศษกล่องพัสดุพิเศษที่เขาส่งมาให้อย่างเงี้ยนะแกะเสร็จเมื่ อ, อไหร่ใครแกะก็ตายอย่างเงี้ยแกะแบบอะไรนะ ขนมที่ผสมยาพิษมาด้วยอยังไง น, นะคื <c oughs> ออวิชามันเป็นขออภัยตันหาเนี่ยมันมอบทุกโทษให้แบบนั้นแหละอวิชามันปิดไม่ให้รู้ความจริงหรอกให้รู้แต่หน้ายินดีนนรู้ว่ากายกรรมเช่นหน้าทําหน้าพูดหน้าคิดหน้าทาห น, น, น้าพูดหน้าคิดหน้าทําหน้าพูดหน้าคิดเราต้องทําเราต้องพูดเราต้องคิดเราต้องทําต้องพูดต้องคิดแต่ว่าเมื่อทํำไปแล้วมอบอะไรออกมาไม่รู้นั่นแหละอวิชามันปอกปิดความจริงทั้งหมดเลยนะ ทะละเอียดลงไปอีกอวิชชาเนี่ยมันปกปิดแม้กระทั่งว่าอาคุศลเช่นโลภะเนี่ยนะโลภะมูลจิตทั้งหลายที่ล่วงมาเป็นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันจะมีผลจบที่กองทุกชนิดไหนอวิชชามันก็ปิดไม่ให้รู้อยนั้นะแล้วก็อาคุศลคือโทสะนี่เวลาทําออกมากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมแล้วเนี่ยนะเป็นปัจจัยจึงมีวิญ ญ, ญาณแล้วนําออกมาซึ่งกองทุกอย่างไรมันก็ไม่ให้รู้เพราะ อวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้เห็นกรรมตามเป็นจริงว่าอย่างเช่นทิฏฐธรรมเวชนียกรรมเนี่ยสังขารก็คือกรรมอวิชชานี่ปิดไม่ให้รู้ว่ากรรมเหล่านี้มีเป็นทิฏฐธรรมเวชนียกรรมนะให้ผลในปัจจุบันได้กรรมเหล่านี้เป็นอุปชาเวชนียกรรมนะให้ผลชาติหน้าได้กรรมเหล่านี้ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่านี้เป็นอัปราปรยะเวทนียกรรมนะกรรมเหล่านี้นําเกิดได้นะกรรมเหล่านี้อุปธรรมได้นะกรรมเหล่านี้คอยเบียดเบียนได้นะ กรรมเหล่านี้ไปตัดไปรองได้นะกรรมเหล่านี้เรียกว่ากรรมหนักกรรมเหล่านี้ทําบ่อยแล้วน ะ, ะกรรมเหล่านี้เป็นอจินนกรรมอาสันนกรรมพรหุลกรรมเป็นต้นอวิชธรมไม่ให้ยอมรู้ไม่ให้ไม่ให้รู้ความจริงไม่ต้องการรับรู้บางคนจะทําอกุศลอัทธาวิชา ม, มากด้วยเนะี่ยไม่ต้องการรู้ด้วยซ้ำไปเพราะถ้ารู้เมื่อไหร่ใครมันก็ตกนรกกันหมดอสิเขาว่ากันเอาถ้าใครรู้บุญรู้บาปมันก็ตกนรกกันหมดอสิ มันจะมีใครขึ้นสวรรค์สักกี่คนอ่ะเข้าใจถูกต้องแล้วไม่ต้องตกใจหรอกนั่นแหละคือความจริงความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงเย น, นะถามว่าทําไมบอกสัตว์โดยมากมันจึงตกนรกอ่ะก็พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่หลอกเราหรอกเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญยูจะหลอกสาวกด้วยเทศนาไปทําไมยังไม่เห็นประโยชน์เราพระพุทธเจ้าหลอกเราแล้วท่านจะให้ดีอะไรสักข้อหนึ่งขึ้นมาไม่มีเพราะฉะนั้นเชื่อได้เถิดว่าฝุ่นในเล็บ พระ อ, องค์เนี่ยเอาฝุ่นเนี่ยเอาเล็บเนี่ยช้อนฝุ่นขึ้นมาพระ อ, องค์บอกว่าฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินไหนมากกว่ากันทฤษฎีบอกว่าหุ้ยฝุ่นในเล็บมันนิดเดียวเนี่ยเอาแผ่นดินมาหารกี่หมื่นครั้งเนี่ยมันยังจะเท่ากับฝุ่นในเล็บฝุ่นในเล็บนี่นิดเดียวแผ่นดินใหญ่นี่ใหญ่เหลือเกินบอกฉันใดก็ฉันนั้นผู้ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์คือเนี่ยน้อยนะโดยมากก็ไปสู่<ม>อบายทุกคติวินิบาตนารกเนี่ยนะก็ อ, อย่างว่าพื้นที่ของมนุษย์เนี่ยเราว่าเยอะพื้นผิวที่มนุษย์อาศัยอยู่เนี่ ถึง1น0่แสอะไรนะแสห0 0มื่นตารางกิโลเมตรไหมผิวที่อาศัยอยู่นะแต่ว่าพื้นผิวอเวจีนี่มันขนาดนั้นสพราะอเวจีอย่างเดียวนี่นะก็คำนวณไม่ถูกแล้วเดรชาเ น, นี่ยเท่าไหรอ่ะมรษยาหกพันล้านเนี่ยนะก็เทียบกับปลาไม่ไม่เท่าไหร่เองปลาไม่เท่าไหร่เองนะเพราะนั้นอบายทุกขติวินิบาทมันมีจึงเยอะจริงๆเลย ที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะไม่รู้อะอวิชามันปกปิดไม่รู้ว่ากายกรรมที่ตัวเองทำหนึ่งครั้งเนี่ยที่สุดของการกระทําเหล่านี้มันเธอแปลแบบภาษาสมัยใหม่นะว่าเที่ยวหลับตาเซ็นสัญญาทั่วไปหมดเลยนะไปเขียนชื่อเซ็นสัญญาไว้ทั่วไปหมดเลยไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องร้องอีกกี่ครั้งกี่ทอดกี่อะไรไม่รู้นะเ ข, นเขียนเขียนใครว่าเที่ยวรับปากเที่ยวเซ็นเที่ยวอะไรไปหมดเลยนะทำแต่กิจกรรมประเภทแบบนั้นนะถามว่าอนาคต ต, ต่อไปคืออะไร ชันใดก็ดีไอ้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะในแง่ของสังสารวัตมันก็เป็นลักษณะนั้นอ่ะท่านเรียกว่าเป็นนายประกันก็งั้นเที่ยวรับประกันอะไรทั่วไปหมดเลยนะเซนเซนรับรองรับรองรับรองไอ้ชิ้นนี้รับรองว่าข้าพเจ้าจะจะให้ตัดหัวข้าพเจ้าเซนรับรองว่าจะให้เขาเนี่ยทิ่มตาข้าพเจ้าให้แตกข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าจะตกนรกให้ถ้าเซนสัญคือคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันคือการเซนสัญญาจริงๆเซนสัญญาว่าข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะตกนรก พอถามว่าอะไรก็กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันเป็นอกุศลจะไปสวรรค์ได้ยังไงเอารับรองว่าข้าพเจ้าจะไปเป็นเดรัจฉานรับรองว่าข้าพเจ้าจะเป็นสุนัขขี่เรือนกี่ชาติก็ว่าไป น, นะคือคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใครรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันก็เป็นอย่างนี้วันยังค่ำพระพุทธเจ้าเลยเรียกว่ากรรมนิยามเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้วันยังค่ําพระพุทธเจ้าจะเกิดในโลกหรือไม่เกิดในโลกอวิชาก็เป็นปัจจัยแก่สังขาร พระพุทธเจ้าจะมีในโลกหรือไม่มีในโลกก็ตามสังขารก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณพระพุทธเจ้าจะมีหรือไม่มีก็ตามวิญญาณก็เป็นปัจจัยแก่นามรูปเป็นต้นเนี่ยนะสังสารทุกเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกไม่เกิดมันก็เป็นอย่างนี้เอางั้นพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ตรงไหนพระองค์บอกว่าเราตถาคตเป็นผู้แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้ตื้นทําให้ง่ายบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะเมื่อเห็นวัตตก็จะเห็นนิวัตต์ เมื่อเห็นความเป็นไปในสังสารวัฏก็รู้ว่าออกจากสังสารวัฏได้นะเพราะมันมีสิ่งที่ตรงกันข้ามที่เรียกว่านิยานิกระรรมเนี่ยนะเมื่อกี้บอกว่าทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์มันก็มีความดับทุกข์เนี่ยนะมีความดับทุกข์มีทุกข์มีเหตุเกิดแห่งทุกข์มีกระแสแห่งสังสารทุกข์ความดับทุกข์มีอยู่นะนรกมีอยู่การไม่ไปนรกก็ต้องมีสิเมื่อเปรตเดรฉานอวัตตะเป็นต้นมีอยู่การออกจากวัตตะก็ต้อง มีอยูนะ่การออกจากวัตตะอันนั้นแหละภาษาธรรมะเรียกว่า น, นิสรณัตโถสลัดออกจากวัตตะสลัดออกจากสังสารทุกเนี่ยสบัดออกจากสังสารทุกเนี่ยนะหลุดจากสังสารทุกมีอยู่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะถ้าถ้าถ้าเราฟังดูทั้งททั้งหมดถ้ามีอาหารมีอยู่ความดับอาหารต้องมีสิถ้าชรามรณะมีอยู่ความดับชรามรณะก็ต้องมีสิ ถ้าชาติมีอยู่ความดับชาติความเกิดมีอยู่การดับสภาพที่เกิดก็ต้องมีสิเมื่อพบมีอยู่การดับพบการออกจากพบต้องมีสิถ้ามีอุปาทานความดับอุปาทานก็ต้องมีถ้าตันหามีความออกจากตันหาความดับจากตันหาก็ต้องม ARE ีถ้าเวทนามีอยู่ความดับเวทนาก็ต้องมีขึ้นเชื่อว่าทุกยังมีสุขเป็นคู่ คู่ปรับเลยใช่ไหมมีความเจ็บปวดก็ยังมีความสบายเป็นคู่ปรับในโลกนี้ยังมีมืดยังมีแสงสว่างเป็นคู่ปรับถ้ามีร้อนก็ยังมีความเย็นเป็นคู่ปรับชั้นใดถ้าทุกมีอยู่สุขก็ต้องมีชั้นนั้นถ้าเวทนามีอยู่ความดับเวทนาก็ต้องมีชั้นนั้นเนี่ยนะเวทนามาจากไหนบอกมาจากภาษะชื่อว่าภาษามีอยู่ความดับภาษะก็ต้องมีชั้นนั้นนะแล้วภาษาที่มีอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะสลายตนะ เมื่อสลายตนะมีอยู่ความดับสลายตนะก็ต้องมีฉันนั้นถ้าความดับสลายตนะมีอยู่สลายตนะมีอะไรเป็นปัจจัยบอกนามรูปถ้านามรูปมีอยู่ความดับนามรูปก็ต้องมีฉันนั้นวิญญาณมีอยู่ความดับวิญญาณก็ต้องมีฉันนั้นถ้าสังขารมีอยู่ความดับสังขารก็ต้องมีฉันนั้นถ้าอวิชามีอยู่ความดับอวิชาก็ต้องมี ฉั น, นั้นเนี่ยนะทำที่สำ ROC อ, อวิชาโดยไม่มีส่วนเหลืออวิชายัตเวอเสสวิราคานิโรธาสังขารานิโรโธเนี่ยนะถ้าสำ ROC อ, อวิชาทั้งปวงได้โดยไม่มีส่วนเหลือเรียกว่าทําลายอาวิชาทิง้งซะเผาอวิชาทิ้งด้วยอนุภาพของปัญญาเนี่ยนะอวิชาเปรียบเหมือนความมืดทําลายความมืดด้วยแสงสว่างคือปัญญาถ้าปัญญาเกิดขึ้นแทงตลอด เห็นเลยว่าทุกทั้งหลายปีแล้วนะสมุทัยทั้งหลายอายุหนะเห็นวิเวกทำทำที่สงัดเห็นวิเวกว่านิ้พานนี้สังกัดจากทำทั้งหมดเนี่ยนะวิเวกนิพานนี้เป็นเป็นอสังกตะเป็นธรรมที่ดับสังกตะธรรมเหล่านี้เห็นเลยว่าพระนิพานนั้นเป็นธรรมที่อมตะไม่ตายเพราะว่าพ้นจากความตายเนี่ยนะฟังเมื่อแทงตลอดอย่างนี้ด้วยอนุภาพของอริยมรรต์ด้วยอนุภาพของปัญญา อวิชาก็ดับไปเมื่ออวิชาดับอนนอวิชายตเวอเสสาวิราฆานิโรธาสังขารนิโรโทถ้าเพราะอวิชาดับสังขารจริงดับอวิชาอ่าสังขารนิโรธาวิญญาณิโรโธอ่าวิญญาณดับก็เพราะว่าสังขารมันดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณิโรธานามรูปนิโรโทถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับ นามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโทวางกันใช้คําว่าดับตลอดเลยนะนิโรนิโรนิโรนิโรนแปลว่าดับถ้าวิชาดับสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาก็ดับถ้าวิญญาดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับสลายตนะก็ดับถ้าสลายตนะดับอะไรดับภาษาก็ดับถ้าภาษากดับเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับ ชาติก็ดับถ้าชาติดับชรา ม, มรณะโสกัปริเทวะทุกโทรมรณะและอุปาญาติก็ดับความดับแห่งวัต ถ, ถทุกกองทุกสังสารทุกข์ก็ดับด้วยอาการอย่างนี้แหละอวิชชาไม่ให้เห็นรอ้องมันติดเอาไว้แล้วมันติดบอกว่าทุกต่อไปกันละกันนั่นแหละลักษณะของอวิชชามันทําไม่ให้รู้จักร้องว่านิโรจเป็นยังไงปกปิดบอกว่าก็ไม่ต้องรู้หรอกไม่ต้องรู้หรอกไอ้ความดับมันเป็นยังไงมันนี่มันดีแล้วเจ้ไหม ทุกเนี่ยเรามันมนุษย์เนี่ยมันดีแล้วเนี่ยนะเทวดาพวกหนึ่งเขาบอกว่าใครที่ไม่เคยมาดาวดึงใครที่ไม่รู้จักสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะพวกนั้นไม่รู้จักความสุขของมันไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงคําพูดนี้ถูกต้องไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าอุย้ยเขาแท้เพรางั้นไม่รู้จักคําของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าอันนี้จาวตสังขาราเนี่ยนะพระอรหันต์ท่านก็พูดอย่างนี้เลยเดาวดึงมันเที่ยงไหยล่ะ แล้วก็เงือท่วมหรอกันนะถ้าอะไรท้าสกัดนี่จะจุติแค่นั้นละเงือท่วมเลยนะไอตอนที่มีบุญให้ผลเนี่ยมีความสุขดีเหลือเกินสบายเหลือเกินเนี่ยนะพอหมดบุญแล้วยังไงเงือท่วมเลยก็มาเคยนึกถึงบางท่านเนี่ยนะเคยอยู่ตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยนะพอถูกถอดถอนปั๊บเนี่ยเงือท่วมเลยนะไอตอนที่บอกอุ๊ยอำนาจเต็มที่เต็มมือไปหมดเหมือนมีความสุขเหมือนมีความสุขอุ้ยดีจริงๆเลยนะมีอำนาจแต่ว่าในที่สุดวันปลดนะ วันที่จะถูกฟ้องถูกร้องขึ้นมาในเงือท่วมหมดเลยนะว่าถามว่าเพราะอะไรสังขารทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้แหละเนี่ยสังขารทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้แหละแต่ว่ า, าวิชามันปิดไปหมดเลยว่าสังขารอู้สบายกรรมที่นําไปสู่พบใหม่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยนะไม่เห็นเป็นไรเลยเขาบอไม่เห็นกรรมมันไม่ได้ตามม า, มม า, มมาเหมือนรถไฟอะไรรอกางมันหนักกว่านั้นอีกเนี่ยนะถ้าแค่รถไฟนี่ก็สบายนะค่อยๆตัดตัดตัดตั ด, ต ด, ต ด, ตดก็ไม่เท่าไหร่คือ กรรมเนี่ยนะที่ทำมาถามว่าทั้งชีวิตเนี่ยนะเราตื่นวันละสิบชั่วโมงโดยเฉลี่ยเนี่ยนะวันละสิบชั่วโมงหรือบ้าง16ชั่วโมงบ้างสรุปว่าเฉลี่ยแล้วตื่น16บหถึงสิชั่วโมงต่อวันหนึ่งอายุกี่ปีแล้วก็ทำกรรมมาเท่านั้นไนงะแล้วชาติเดียวที่ไหนชาติเดียวที่ไหนอดีตชาติอีกละ่ะแล้วทํากรรมไว้ทั้งหมดเท่าไหร่ในอดีตทั้งหม ด, หมดกรรมเหล่านั้นถ้าไม่มีตัณหาไม่นําเกิดรก